สัต ส, สีเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมักเนี่ยมันเกิดคล้ายๆเกิดพร้อมกันเลยนะเพราะว่าในขณะที่เราพิจารณาทุกเนี่ยเราก็มีมักใช้สัมมาสติสัมมาสมาธิต่างๆสัมมาวายามะพิจารณามันจนจนมันดับไปได้จนเราเห็นสมุทยัยจนเราเห็นทุกจนเราเห็นนิโรธขึ้นมาณนะตอนนั้น เราก็พยายามเจ๊คให้มัม่วป่าวะอะไรเงี้ยพยายามเติมเติมเติมเชื้อให้มันแบบมันก็ไม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเอาแสดงว่าไม่มัวเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะโอเคโอเคไมหมฮะหลวงตาความทุกข์มันสิ้นไปความทุกข์มันน้อยลงไปมันก็โอเคแล้วก็เลยก็เลยได้คิดว่าเอ้ยถ้าเกิดทุกข์ดักปุ๊บอ่าโอเคคุณคุณมาทุกทางแต่ถ้าเกิดคุณมีทุกข์อ่ะคุณตรงจริตออกนอกชัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นการวัดผลได้ จิตคุณไปไหนจิตคุณส่งออกนอกหรือคุณจิตอยู่เห็นจิตเพราะนั้นเนี่ยผลผลเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็รู้แล้วผลเกิดอย่างนี้อ่าอเป็นเป็นทุกข์อ่าคุณซวยแน่คุณไปส่งจิตออกนอกแล้วถ้าเกิดทุกข์ไปเกิดขึ้นอ่าแต่ว่าคุณฉลาดมีสติระ ล, ลึกรู้ทันละเป็นใจที่ที่บ้างป่าเป็นใจที่อิสระต่อจากขันห้าไม่เกี่ยวขันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเห็นกันอ่ารู้อ่าคุณเกิดอะไรขึ้นก็รู้ คุณดับเราก็รู้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณเกิดเราจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณดับเหมือนที่หลวงปู่ต้องเหมือนที่หลวงตาชอบยกเรื่องของหลวงปู่ดีที่ไปเจกที่อินเดียฮะของมันไม่หายจะรู้ได้ไงว่ามันหายจนของมันหายละถึงได้รู้อันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสติรละลึกรู้มาขึ้นด้วยสัมมาสติได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปถูกทางละแล้วก็คอยสังเกตนิดนึงปุ๊บมันมี สติตัวปอมไหมเนี่ยมันเผอไปตั้งสติขึ้นมาไหมพอรู้ว่ามีตัวขึ้นมาปุ๊บอ่ะก็รีบลา่าซะมาแล้วสมุทัยมาละดีบลา่าซะทุกวันก็จํําดาเนินชีวิตอย่างเงี้ยหลวงตาดูไปพิจารณาไปรู้ไปหาประโยชน์จากมันมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาอันนี้จบแล้วค่ะหลวงตาคือมันมันก็ถูกแนละ้วถึงระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงที่ ที่สุดทม่จะปอกของการปฏิบัติจะต้องต่อยอดตอนที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานเนี่ยเราไม่หลงไปกับอะไรแล้วที่บอกว่าเป็นมาร์กแล้วเนี่ยไม่หลงไปกับอะไรแล้วแต่เราหลงไปเป็นในตัวนี้่ไปตัวที่ตึกที่ตรองที่ไข้ควรที่วิเคราะห์ที่ทําความเข้าใจ เราหลงไปเป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งตัวเนี้เมื่อเราไม่หลงแล้วเรากลับไปหลงเอากลับไปหลงเอาตัวเราไปวิเคราะห์ไปวิจารวิจัยแต่ไม่ได้เป็นรู้ตัวเราที่กำลังวิเคราะห์วิจารวิจัยไม่ได้เป็นรู้ไปเป็นคิดพอไปเป็นคิดปุ๊บเป็นหลงเลยหลงคิดหลงคิดวิเคราะห์วิจารวิจัยไข้ครวญตึกตรองหาเหตุหาผลทบทวน กายเป็นตัวคิดแทนไม่ได้เป็นรู้รู้ตัวว่ากําลังคิดแต่ก็ไม่ได้ทําให้มันหายไปแต่เป็นรู้ไม่ไปเป็นคิดตรงนี้ต้องพัฒนาขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดคือเป็นรู้โอมันมันยากตรงนี้ฮะหลวงตาเวลามันมันชุนลมุนชุนลเกนี่ก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าคิดเลยฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ทําอะไรกันอยู่เลยมั่วตัวกันอยู่ฮหลวงตาก็เลย ออกฟังเรื่องของน้องที่ที่มาจากคอร์ลแล้วก็เลยแบบเออยังห่างอีกเยอะน้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นนะฮะเมยรู้เลยว่าเออเรายังห่างอีกเยอะยังต้องพัฒนาอีกเยอะก็ก็ไม่ได้ห่างอะไรกันเป็นเป็นแค่ยังไงพิกนิ่เออพิกพิกความรู้ความเข้าใจแค่นั้นเองครับคือตอนที่ท่านอยู่คนเดียวยิบเงียบไม่ได้ว่าหวังึ่งดีไปเก็บตัวที่ไหนตอนที่ ท่านเข้าไปในห้องส่วนตัวไปทำธุระส่วนตัวไปเข้าห้องน้ำของนั่งส้วมอยู่เนี้ยมันก็เป็นเวลาของเราโดยแท้น่ะเ้วก็ให้เป็นรู้ซะอย่าไปเป็นตังเกตให้ดีให้เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดอย่าไปเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวใช้การระบบความเข้าใจด้วยความคิดเพราะว่าตอนที่เราเนี้ย อยู่ของเราเป็นอิสระอยู่เฉยเนี่ยเช่นเราอยู่ในห้องเราอยู่ในห้องน้ำเรานั่งส้วมอยู่เนี่ยตอนนั้นเป็นเวลาอิสระของเราเแท้ๆไม่ใครมากวนก็ให้เป็นรู้โอราะ่าเราฝึกคิดมามากแล้วเราฝึกคิดมามากแล้วไอ้ที่มันรู้ออกมาจากใจที่มันไม่ได้เป็นคิดเนี่ยเราังไม่เคยเราังไม่เคยฝึกวิธีที่เราเนี่ย จะมันร you know, you know, you know, ู้ออกมาจากใจเราต้องปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ได้แต่รู้ไม่ใช่ว่าไปพยายามดับคิดก็ปล่อยให้มันคิดไปได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่แล้วได้แต่รู้ได้แต่รู้อ๋อไอ้รู้กับคิดมันมันต่างกันอย่างนี้คือไอ้รู้เนี่ยมันรู้คิดแต่คิดเนี่ยทําหน้าที่คิดแต่รู้เนี่ยทําหน้าที่รู้เราจะรู้คิดได้ที่เป็นรู้กับเป็นคิดเนี่ยเห็นแยกแตกต่างกันอย่างเงี้ยเราต้องอยู่คนเดียวงีย้ ตอนนั้นน่ะต้องไม่มีเรื่องที่พลมุลจุลเกกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนทั้งหลายนะแล้วเราก็เออตอ น, น, นเราอยู่ในห้องของเราเงียบๆเราเข้าห้องน้ำนํำอาบน้ําอยู่เราดั้งซ่วมอยู่เออที่ตอนนั้นมันไม่มีใครมากลัวเราเลยพราะมันเป็นมันเป็นความส่วนตัวหลวงตาเนี่ยจะเกิดตอมนมเป็นอยู่กับความส่วนตัวนั่นที่เกิดบ่อยสุดเพราะว่ามิตรสอนสอลูกศิษย์มิตรสอนทั้งวนันทั้งคืนทั้งนทั้งคืน เวลาที่มันเป็นส่วนตัวก็มีเวลานั้นแหละคือเวลาเข้าห้องน้ํามันก็จะเห็นตรงเนี้ว่าไปพบรู้กับคิดก็พบรู้ในห้องน้ํานะรู้ ก, กับคิดอ๋อเราก็เราทั้งชีวิตอะเราฝึกใช้ความคิดในการเขา้าข้าใจหมดเลยแต่เราไม่เคยที่รู้ออกมาจากใจโดยที่ไม่ได้คิดเราก็เลยจะรู้ออกมาจากใจโดยไม่คิดได้ไงก็คือปล่อยมันคิดไปก <comunque S 1> ็ได้แต่แค่รู้ไ ด, ได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้ เราจึงรู้ว่าอ๋อรูกกับคิดมันต่างกันต่อไปเราก็เป็นรู้จะไปเป็นคิดนั่นแหละต้องฝึกให้ขึ้นมาคือมันไม่ได้ว่าเราห่างไกลกันอะไรกันม่แต่ว่ามันเพียงว่าเขาเข้าใจโอกาสในการแต่ละขานาดเพราะพื่อเดียวนันแะอ๋อนี่เป็นรู้นี่นี่เป็นคิดแค่นั้นน่ะ่าพูดใหม ก็ก <formation> ็เ <biraz> ร <motiv ators> <m> ิ่มเห็นมากฮะหลวงตาว่าเออรู้กับคิดมันต่างกันยังไงก็ก็ก็ค่อยเห็นหน้ามาแล้วฮะหลวงตาก็พยายามพยายามพยายามพยายามที่ดีรู้ให้เยอะขึ้นนะหลวงตาก็รู้แบบไม่ตั้งใจรู้พยายามรู้รู้เท่าที่มันจะรู้ฮะหลวงตาไม่ไปขืนไม่ไปบังคับอะไรเขาก็แต่ก็ไปไปด้วยความเพียรเรื่องของเราไปฮะหลวงตาแต่สังเกตให้ดีๆนะ ไอ้รู้ที่มันเข้าใจที่รู้แบบเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วประมวลผลได้อันนี้เป็นคิดตรงนี้ต้องตง้องไอ้นี่ลุงตาเคยผ่านอเอาไว้ตรงนี้เป็นรู้ไอ้ตรงนี้ยากมากลุงตาก็คือให้ให้ให้ฟังลุงตา ก, ก่อนแล้วก็จําไว้แล้วกันคือตอนไปเจอหน้ามันน่ะถ้าเราไม่จำมันไม่เจอตรงนี้ซะก่อนเราไม่บอกไปซะก่อน ไ, ไปจำไวจะหลงคือเราจะไปเอาไว้ไอ้รู้ที่เข้าใจอะ่ะเข้าใจเข้าใจแล้วก็ประมวลผลเหมือนกับที่เราบอกว่า มเวลาจะไปถ่ายเอกสารแล้วเรากดเครื่องถ่ายเอกสารแล้วมันนั่งแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กนจ๊กนจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊ก่จ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊าแจ๊าแจ๊าแจ๊กแจ๊กแจ๊กแเป็แรู้เข้าใจว่ารู้แ้วกมันกเจ้าใจ๊กแเลยเข้าใจ่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจว่าอจนกแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊าแจ้าใจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแคือคิด เราก็จะไม่เสียท่าหลงกลไปเลยวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์นะฮะฟังเรื่องน้องนู้นนี้ก็เลยว่าเออเฮ้ยเข้าใจเราเ ข, ข้าใจผิดมาเยอะเลยนะเนี่ยน้องนู้นเนี่ยเขาต่แรกเขาเสียใจเขาหมดโอกาสที่จะไปเรียนรู้เหมือนคนทั่วไปเขาไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้อฟังใช่ฟังใ ช, งใช้ระบบของความเข้าใจเหมือนคนทั่วไปเขาเลยไม่สามารถที่จะรู้ทำเห็นเข้าใจทำเขา คนในนี้พูดการเขาเขาเสียใจเขารู้สึกเขาเป็นปมด้อยเขาไม่เขาเขาไม่ดีไม่มีโอกาสฟังว่าเขาพูดอะไรการหลวงตาพูดว่าอะไรเขาบอกหมดเขาเสียใจเขาหมดโอกาสที่จะฟังว่าหลวงตาว่าพูดว่าอะไรไม่งั้นเขาจะไปศึกษาหาความเข้าใจมามากๆแล้วบอฟังหลวงตาพูดเขาจะได้เข้าใจเขาเลยเสียใจว่าเขาเนี่ยเป็นบ้าหูไม่ได้ยินเขาเลยหมดโอกาสหลวงตาบอกว่าไม่ต้องใช้คิดให้เข้าใจ ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดในก็ใจให้เขารู้ออกมาจากใจเพราะว่าธรรมะแท้ๆคือรู้ออกมาจากใจนางสุชาดาถามพระเจ้าเจ้าตรัสรู้อะไรจึงผองสายยิ่งนักบอกได้ไหมพระเจ้าก็พูดก็ธรรมดาเนี่ย มันทำไมง่ายๆแบบนี้แต่มันไม่เข้าใจพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องเข้าใจให้รู้ออกมาจากใจรู้ที่ใจต้นหลังเนี่ยเขาหลวงตาไม่ได้พูดอย่างนี้เองเวลาพอ น, นุ่นเนี่ยพอเขาคนบใบีเขาเข้าใจเขารู้ออกมาจากใจแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับในใจเคขาเนี่ยมันเหมือนดอกวัวที่บานเลย หน้าตาเขาแดงเปล่งปลังไปติดจมูทั้งตัวเลยเขาบอกว่าใจเขาเหมือนดอกบัวบานแล้วเขาเวลาเขาบอกคนอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าคนอื่นถามไะมีคนหนึ่งถามเขาเพราว่าจะรู้จากใจอย่างเขาได้อย่างไรคือจะแยกใจแยกรู้กับคิดออกจากกันได้อย่างไรเขาบอกว่าก็ให้ให้รู้ที่ใจที่ ให้รู้ที่ใจมันก็เลยจะรู้อะไรออกมาจากใจให้รู้ที่ใจว่าใจเราเนี่ยไปรู้อะไรอะไรขอาการครับพิจารณาตอนที่เขาเป็นภาษามือที่เขาบอกเข้าใจนึกขึ้นมาได้ว่าเขาคล้ายๆกับปฏิจจานะครับ่างตา มาถึงอะไรกูตั้งหลายไม่เข้าใจไม่าออกแค่ภาษามือเลยไม่เข้าใจได้ใช่ไหมตอนเนี้ยตอนตอนที่เขาเขาโปร่งขึ้นมาสว่างขึ้นมาตอนที่มีดอกบัวบานขึ้นมาแม่เขาถามเขาว่าเขาเข้าใจไหมภาษามือที่เขาใช้คําว่าเข้าใจสําหรับภาษามือก็เขาทําอย่างเงี้ยนะผมก็เอ๊นั่งพิจารณาเหมือนปฏิจจในหนังสือลงตานะ หมายถึงอะไรเอาเอามือมื อ, มองงายผ่านหน้านี่มันอัดเทปไปมันไม่มีวิดีโอเดี๋ยวเขาไปฟังไปฟังเทปก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าทำอะไรมันเป็นภาษาใบ์บอกพูดด้วยดิมันเป็นภาษาใบ์กเดี๋ยวก็ไปฟังเทปจะรู้เรื่องว่าทำอะไรเออปฏิจจัสมุบาทภาษามื่นว่าไงยกไมโปเนี่ยครับก็จะเป็นวงกลมนะครับวงกลมเหมือนหน้าปกหลังหนังสือจบสัทีนะครับปกหน้าปกหลังนะครับ เหมือนกันเลยนะครับเหมือนพอเขารู้โพรงปุ๊บก็หมดแหละวางวางทั้งหมดเดี๋ยวจะ ก, ก, การยกับการสกาดงตานะครับก่อนนี้ก็กลับกลับขอบคุณบางตาที่ ให้ความกระจ่างผมในช่วงที่ผ่านมาหกวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ามีความเข้าใจในเรื่องที่ที่หลวงตาสอนมากถือว่ามากขึ้นเพราะว่าหลวงตาได้สอนในสิ่งที่ละเอียดมากครในในการในการสังเกตในการรู้ความคิดเห็นความคิดแยกไปในทุกๆขณะบางทีก็หลงบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าจากที่ได้ สอบถามของตามเมื่อเมื่อ เ, อเอก่อนต้นต้นสัปดาห์ก็ได้ลองไปปฏิบัติดูก็เราก็รู้สึกว่าเราสามารถจะแค่ว่าเห็นเห็นรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นอาจจะไม่ได้ตลอดแต่ว่าความถี่มันก็ก็มีมากขึ้นคือเห็นด้วยใจของเราเองเราเห็นว่าบางครั้งก็เป็นด้วยใจเห็นไหมประสานเห็นด้วยใจอ่าเดี๋ยวนี้พูดเป็นแล้วเนี่ยเห็นด้วยใจ ครับมัน ม, มันเป็นความรู้สึกอย่างตรงนั้นเราเห็นด้วยตรงนั้นไม่ได้คิดแต่เราก็รู้บางครั้งมันก็คิดมันก็หลงเราก็เราก็รู้บางทีก็หลงไปถึงจะรู้แต่บางครั้งเราก็เออมันก็รู้ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็กเกิดอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะไม่ทีแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเฝ้าสังเกตในช่วงที่มีเวลาว่างนะครับก็พยายามเฝ้าทุกขณะ ด, ด้วยครับไม่ใช่เฉพาะที่ว่างพยายามที่จะไป ไม่เป็นว่าตัวเราพยายามนะครับแปลว่าค่อยสังเกตสังเกตสังเกตทีตนี้ผมมีคําถามนิดนึงครับหลวงตาตอนเนื่องกับพี่ที่เขาถามเมื่อสักครู่พี่เจ้าของบ้านผมขออนุญาตบขอโทษไม่จําชื่อไม่ได้ฮะดุกดุกอ่ะพี่ดุกด๊กครับ ก, ก, ก็อ่หลวงตาพูดเรื่องการพิจารณาของของพี่เขาผมก็คิดว่าเออการพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นสังขาร เอาเอาสิ่งที่เรารู้เอาความรู้เรามาคิดมามาปรุงมาทําให้เรารู้สึกว่าเออใช่ไม่ใช่ทีนี้ผมก็จะเรียนกลับเรียนถามลุงตาว่าเพราะฉะนั้นสิ่ ง, งต่างๆที่จะพิจารณาเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราแทบไม่ต้องพิจารณาเลยใช่ไหมครับหมายความว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยการที่เรารู้เข้ามากๆๆเข้าเนี่ยปัญญาตัวนั้นน่ยมันจะบอกเราเองเพราะในบางเอบางบางเวลาบางโอกาสเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ มันเป็นมันเป็นมันก็บอกอัตโนมัติว่าเอ้ยอันนี้แหละคือใตรักแทบจะไม่ต้องเอาทฤษฎีมามาจับเลยมันมันจะบอกเรานะเวลานั้นว่าใช่อันนั้นใช่ไหมครับหมายว่าถ้าเราไปเอาอริยสัจสมาพิจารณาเนี่ยผมผมตัวสมเองก็เคยก็เคยแต่คิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นโนเลจมันเป็นความรู้ที่เรามาตึกตรองอยู่นั่นนะมันก็มันก็เป็นความรู้เป็นความคิดทีนี้ก็กลับเรียนดวงตาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ย เวลาปัญญามันเกิดสิ่งเหล่าเนี้ยมันเกิดขึ้นเองถูกต้องไหมครับเดี๋ยวจะถามหมอหน่อยอหมอสัองเกตเห็นความแตกต่างไหมระหว่างที่หมอเมื่มอกี้หมอพูดถูกว่ามันพอพอฟังรูงตานมาหลายวันมันเริ่มเห็นที่ใจใช่หมเมื่ี่หมอพูดคำหนึ่งว่าเห็นที่ใจกับ เข้าใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับหมอหมอเราพูดถึงความแตกต่างดีคือคือความรู้ได้ยังไงว่ามันไม่เหมือนกันเข้าใจกับเห็นที่ใจหรือหรือรู้ออกมาจากใจมันไม่เหมือนกันได้ยังไรส่วนตนนะครับที่สัมผัสได้อาจจะอาจจะไม่ถูกแต่ว่าจะจะเล่าจริงที่เกิดขครับคือคือความเข้าใจเนี่ย บางทีอย่างอย่างผมฟังหลวงตาเนี่ยผมบางทีความเข้าใจมันจะเกิดจากความคิดส่วนแรกเนี่ยมันคิดก่อนเออมันมีเหตุผลมมีตรรกะเออมันน่าจะใช่เป็นอย่างงี้งี้ครับมันก็เป็นความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วเราก็เหมือนกับเป็นความรู้เก็บไว้แต่เวลามันเห็นด้วยใจเนี่ยมันไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เลยเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันสัมผัสใจมันสัมผัสเอออย่างเงี้ยครับมันมันเออเอออะไรเงี้ยมันสัมผัสของมันเองมัน มันจะอธิบายด้วยภาษาความรู้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แต่มันสอดคล้องกันนะครับมันไม่ได้แยกกันมันสอดคล้องกันแต่มันไม่ได้เกิดจากเรามานั่งคิดเป็นความรู้ขึ้นมาแต่มันสัมผัสปุ๊บเอออันเนี้ยเหมือนกับบทพิสูจน์เหมือนกับมันสรุปให้ว่าสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยนะนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละใช่อันนี้แหละใช่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมันก็เป็นอธิบายด้วยตัวอักษรคงจะลําบากนิดหน่อย ไม่ทราบว่ามันเดินทางถูกต้องหรือเปล่าครับหลวงตาก็ถูกต้องแล้วแต่หลวงตาที่ที่จะตอบคําถามหมอน่ะที่หมอว่าเราต้องใช้การพิจารณาไหมเนี่ยหลวงตาเลยเนี่ยจะตอบคําถามหมอเลยหมอแยกหมอรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจในระบบของความคิดที่ฟังหลวงตาพูด มีการประมวลผลกับเห็นออกมาจากใจมันรู้ได้ด้วยใจรู้สึกจากใจเพื่อให้หมอเห็นความแตกต่างแล้วเพื่อห้หมอเนี่ยอธิบายที่หมอเนี่ยสามารถอธิบายแยกเห็นความแตกต่างได้แสดงว่าหมอเนี่ยได้พิจรารณา ม, มาแล้วถ้าหมอไม่พิจรารณา ม, มาแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันแตกต่างกันอันเนี้เขาเรียกว่าพิจรารณา มันลึกซึ้งเกินกว่าที่ใช้คิดจากความจำไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่น น, น, น, นที่เลยต้องการจะตอบคาถามหมอมที่ว่าเราพิจยยังไงยังไงเรียกว่าพิจารณาการที่เราเนี่ยสามารถบอกออกมาได้จากใจของเราว่าไอเนี่ยมันแตกต่างกันนี่แสดงว่าเราต้องพิจารณามาแล้วดึ ง, ด, งดึงเห็นความแตกต่างนี่แหละคือพิจารณาแนละ้วต่อไปเนี่ยเราก็เป็นใจ ที่รู้ออกมาจากใจแต่เมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้ระบบความคิดเราก็ไปใช้ความคิดคือเราต้องการแก้ปัญหาในทางโลกต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางโลกเราก็ไปใช้ระบบความคิดแต่พอใช้ระบบความคิดแก้ปัญหาทางโลกเสร็จเราก็อยู่กับการรู้ออกมาจากใจเราสามารถใช้ได้สองระบบเหมือนกับว่าอะไรนะเราต่อต่อน้ําใช้ในบ้านเน่ย เราต่อน้ําไว้เป็นสองระบบใช่ไหมเวลามีไฟมาเวลามีไฟมาแล้วไอมันก็ไปใช้ระบบไอระบบปัมป๊มปั๊มปั๊มน้ําจากไอ้ไอเครื่องปัม๊มออตโต้แต่เมื่อเวลาไฟไม่มาเออเราก็ไปต่อไว้สองระบบว่าถ้าไฟไม่มาเนี่ยในบ้านเนี่ยจะต้องไปขาดน้ำํำเราก็ต่อแทงน้ําไว้ให้มันไหลออกมาเองแล้วก็ไปเปิดน้ําให้มันไหลออกมาเองโดยไม่ต้องผ่านผ่านปั๊มน้ําเพราะว่าไฟไม่มี เรียกว่าเราสามารถใช้ได้สองระบบพอไฟมาเสร็จเราก็ไปปิดเอไอที่มันไหลามาเองเราก็ไปใช้น้ําที่ปัม๊มออกมาจะกปัม๊มเราเลยกลายเป็นคนสองระบบเราเรียกว่าเป็นคนที่สามารถใช้ทั้งระบบความรู้ความเข้าใจความสามารถไปทําหน้าที่การงานอย่างที่เขาไปทําไปทํางานกับลูกน้องทํางานโรงงานทำงานอะไรเนี่ยหมอก็ใช้ความรู้ความเข้าใจไปไปผ่าคนไข้จ้าคนธรรมดาไปผ่าคนไข้ไม่ได้นะ <laughs> เพราะว่าคนธรรมดาไปผ่าคนไข้ มันได้เรียนมาไมมาอที่หมอไปผ่าคนไข้ได้หมอต้องใช้ระบบความรู้ของก็ใจที่หมอเรียนมาทีงไปผ่าคนไข้ได้จะเอาอย่างพวกเราเนี่ยที่ไม่ได้เรียนเรื่องผ่าคนไข้ไปผ่าคนไข้ไม่ได้นะตายอย่างเดียวไอ้เนี <granny> ่ยมันต้องใช้ระบบสองระบบคือเราจะไปผ่าคนไข้ต้องใช้ระบบที่เราเรียนมาแต่ความจริงเนี่ยเราเหมือนมาว่ามันจะแยกกันคนละขณะแต่ในที่เราขณะที่เราใช้ใช้ความคิดเนี่ยเราก็รู้ตัวอยู่ มันใช้กันเสร็จในนั้นแหละ